ไม่ได้ไมันต้องนึกความป่วยโรคปวดหัวมีหัวมีโรคปวดหัวถ้าดับความปวดหัวและวก็ดับสิ่งที่สร้างความปวดหัวได้เนี่ยมันจะเป็นสุขขนาดไหนอยเนี่ยนะแต่ก็บอกเอออย่างงั้นก็คอขาดอะสิยังมีตัวอีกยังห่วงตัวอีกนะขนาดหัวไม่ห่วงยังไปห่วงตัวอีกมันก็อย่างนั้นเลยมันจะไปไหนก็จะไปพ้นชาติชารามรณะได้ยังไงมันก็พนัพนพันพันอยู่นันพันอยู่ในอะไรพันอยู่ในสิ่งที่มี ชาติชรามรณะเนี่ยนะมันจะพ้นจากโศกะได้อย่างไรเนี่ยนะไปไม่พ้นหรอกมันต้องคิดแบบพระโพธิสัตว์คิดท่านคิดว่าไงนนพอยานท่านแก่กล้าบุญบารมีที่ท่านสร้างเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเป็นปัจจัยท่านก็คิดว่าเรานั้นจึงคิดอย่างนี้ว่าเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทําไมเราจึงยังต้องแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เล้วจะหาไปถึงไหนกันเนี่ยนะ เกิดอยู่แล้วก็แสวงหาความเกิดอีกอยู่หรือเนี่ยนะเราเองเนี่ยนะมีความแก่เป็นธรรมดาทาไมเราจึงต้องแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เล่าเราเนี่ยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาทาไมเราจึงต้องแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยอยู่เล่าอย่งท่านก็เผด็จการหน้าเดือนนะเผด็จใจหน้าเดือนเลยนะเพราะว่าอะไรนะไม่ยอมแก่ใจที่แสวงหาชาติชรามรณะเนี่ยนะโอ้ยมันเงี้มันต้องปฏิวัติแล้วเนี่ยนะคิดอย่างเงี้ได้ยังไงเลิกคิดอย่างเงี้ซะเถอะใช่ไหม มันต้องมาคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็ได้ว่าวัตตะกับวิวัตตะมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกเหมือนวิ่งรถคนละคนละเลนเลยละ่ะคนละฟากเลยนะอีกคนสวนไปอีกคนสวนมามันไปด้วยกันไม่ได้หรอกวัตตะกับวิวัตตะก็เป็นเช่นนั้นคนที่คิดแบบวัตตะก็จะไปอย่างเดียวคนที่คิดแบบวัตตะให้เราจะไปทำไมกลับไม่ได้หรอเนี่ยวียนกลับไม่ได้หรอเพิกถอนกลับจากเสียงเหล่านี้ไม่ได้หรือ อันเราเองเป็นผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาทำไมเรายังต้องแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เราเราเองมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาทำไมเราต้องแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอยู่เราเราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาทำไมเราต้องแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่เราเนี่ยนะเคยทบทวนอย่างนี้บ่อยๆหมตรงกันข้ามโอ้เนี่ยนะถ้ามีสักสิบไร่ใช่หมถ้ามีอะไรนะ มันก่อนมาชวนโยมไปไหว้พระโอ้ยไปไหว้พระไปนึกว่าพระพุทธเจ้าแตสรูม้มรรคผลไม่พานอ่ะ น, นะเรื่องที่เขาคุยกันบอกเออเนี่ยนะเขาบอกจดทะเบียนลงทะเบียนคนจนเขากัางเขาอยากจะได้สักสิบห้าไร่เขามามาใ น, นครอบครองอายุปา่าเขาไปตั้งหกสิบแล้วมันจะไปขุดยังไงเนี่ยนะทั้งได้มายี่สิบไร่จะไปขุดไปถางยังไงก็ยังใฝ่ฝันไอ้ยี่สิบไร่ อ, ไรอยู่นั่นแหละสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วยี่สิบไร่อยู่นั่นแหละเนี่ยนะก็เออให้มันได้อย่างนี้สินะ คือคือคืออัธยาศัยเนี่ยของศาตว์ทั้งหลายน้อมไปเพื่อสิ่งที่มีชาติฉรามรณะเป็นเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละมันมันติดกันเรียกว่ามันมันหนับติดจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะมันติดจนคนพูดเรื่องดับชาติฉรามรณะแล้วมันไม่อยากฟังอะ่ะไม่ต้องการฟังไม่ต้องการได้ยินเนี่ยนะบอกว่าโง่เนี่ยมันโง่เนี่ยมันมันก็รู้ว่าแย่อยู่แล้วใช่ไหม ไอคนที่อยากโง่ต่อไปเนี่ยมันแย่ขนาดไหนคิดดูอย่างคนที่เวียนอยู่ในวัตฏะมันก็ทุกเต็มทีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วปัญหาไม่อยากออกจากวัฏฏะด้วยนี่มันจะทุกข์อีกขนาดไหนเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอะไรนะหมกมุ่นก็เลยถูกวัฏฏะวัตฏะอะไรมันเคียมทั้งทุกข์ทั้งตีเนะนะี่ยนะว่าอะไรจะโหดเท่าวัตฏะไม่มีมันทิ่มตีหัวแตกเลยนะเคยเห็นไหมวัฏฏะถูกตีหัวแตกเลยนะหัวบินก็มีหัวบิดก็มีถอนฟันไปทั้งยวงก็มี โอ้ยโหดร้ายจริงๆลนะบางทีก็เอาจมูกไปหมดเอาหัวไปหมดบางทีก็ชนสแบนตั้งแต่หมดเลยเนี่ยนะถูกรถเหยียบถูกรถบดถูกเชื่อดถูกตัดหัวตัดแขนตัดขาถูกตัดโอยว่าต่างโหดจริงๆถูกต้มก็มีเนี่ยนะแต่ว่าเอ้ยทนกันได้จริงๆนะไม่รู้พัรณ์ไหนอดทนจังเลยนะเพาอะไรไม่รู้แตอย่างเดียวเนี่ยนะเขาะว่าโลกนี้มันอะไรจะน่ากลัวเท่ากับความโง่คลาไว้มีอีกแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เรียกว่าเหี้มโหดแล้วก็โหดร้ายที่สุดในพุทธศาสนาบอกว่าความ โง่เขลาเนี่ยไอความไม่รู้นี่แหละไอแต่ของมาก็บอกว่าไม่รู้นี่มันก็หนักสาหัสอยู่แล้วไอไม่อยากรู้ด้วยนี่สิโอ้ยยากยากนะนะก็มีมาง ก, กนก็บอกโอ้ยไม่ฉลาดเอาเลยก็บอกไม่ฉลาดยังพอคุยให้ฉลาดได้ไอปัญหาว่าเขาไม่อยากรู้เลยนี่สิไม่รู้จะทํำยังไงเนยนะมันตัวเองก็มีความโศกเป็นธรรมดาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านคิดว่า เมื่อเราเองมีความโศกเป็นธรรมดาทำไมเรายังต้องสแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วตัวเองเป็นสิ่งผู้ที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทำไมเรายังต้องสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยนะเอาเถอะถ้าอะไรแปลว่าเอาเถอะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่า เราเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเราก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดหาธรรมอื่นยิ่งกว่านี้ได้กเกษมจากโยคะอันนี้แสดงว่าวันที่ตัดสินใจเด็ดขาดวันไหนวันพระราหุนคลอดนะ น, นะวันเนี้ยเป็นวันตัดสินใจเด็ดขาดว่าวันนี้เราจะต้องบวช น, นะวันที่ไปไปเที่ยวอุทยา น, นแล้วไปพบนักบวช น, น, นะ แล้วก็บอกวันนี้แหละคือวันที่เราบวชเพราะท่านคิดอย่างนี้ได้นะเมื่อเราเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ควรทราบชัดโทษในทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้กเกษมจากโยคะนะบักวันนี้นี่แหละเราต้องสแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่เป็นธรรมดาให้พบเนี่ยนะนะเพราะอะไรเพราะเกิดแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหม ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ให้พบเราเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแสวงหาพระนิพพานที่ดับความเจ็บป่วยหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะจะต้องแสวงหาธรรมที่ดับความเจ็บป่วยให้ได้เนี่ยนะประมาณก็ว่าโอ๊ยปวดแล้วเกินปวดแล้วเกินบอกวันนี้ต้องหายาที่มันดับความเจ็บปวดให้ได้บางอันคล้ายแบบนั้น เมื่อเราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาก็เราก็ทราบชัดโทษสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่ตายหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เกรเสมจากโยคะพันได้เวลาที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายแล้วงั้น เมื่อเราเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่หาความโศกไม่ได้หาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะเมื่อเป็นผู้มีความเศร้ามองด้วยสังกิเลตเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองเป็นธรรมดาหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ เกษมจากโยคะเนี่ยนะรู้อะไรใช่ไหมว่าเกิดเป็นยังไงแก่เป็นยังไงตายเป็นยังไงป่วยเป็นยังไงโศกเป็นยังไงเศร้าหมองเป็นยังไงแล้วโทษมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วต้องแสวงหาสิ่งที่ดับความเกิดดับความแก่ดับความตายดับความเจ็บป่วยดับความโศกแล้วก็ดับความเศร้าหมองอันนี้คือโจทย์ของการแสวงหาโพธิญาณของพระโพธิสัตว์อันนั้นนี่คือวิธีคิดของท่านว่า ก่อนบวชนั้นท่านคิดอะไรอันนี้ท่านคิดตอนที่ไหนตอนที่ท่านเห็นเทวทูตหลังจากที่เห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นนักบวชทั้งหลายเนี่ยท่านคิดได้บทสรุปเนี่ยบทสรุปเสร็จแล้วก็ออกบวชเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ออกบวชเพราะนั้นท่านมีโจทย์ของชีวิตในการออกบวชอย่างชัดเจนท่านจึงไม่หลงประเด็นเนี่ยนะท่านจึงไม่หลงประเด็นไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเอา้าจากการมาศึกษาธรรมะก็เหมือนกัน เราทั้งหลายผู้ที่ศึกษาเพื่อการตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราต้องจับประเด็นของพระพุทธเจ้าว่าก่อนบวชท่านท่านคิดอะไรท่านก็คิดว่าเออเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วยังต้องหมกมุ่นสแสวงหาสิ่งที่เกิดอยู่เท่านี้หรือแก่เป็นธรรมดาหมกมุ่นสแสวงหาสิ่งที่แก่เป็นธรรมดาอยู่แค่นี้หรือป่วยเป็นธรรมดาสแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอยู่นี่หรือตายเป็นธรรมดา ย, ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอีกอยู่หรือเนี่ยนะแล้วก็ เศร้ามองเศร้าโศกเป็นธรรมดาสแสวงหาสิ่งที่โศกเป็นธรรมดาอยู่หรือนะนะบอกตัวเองเนี่ยภาระดูแลตัวเองมันหนักสาหัสอยู่แล้วสแสวงหาที่ดินเพื่อจะเป็นภาระบริหารเท่านั้นอีกหรือใช่ไหมมีอะไรแล้วตัวเองภาระต้องอาบต้องกินต้องดื่มเปนต้นแล้วนะสแสวงหาสวนมะม่วงเพื่อจะไปรับใช้มันอีกหรือเนี่ยนะนะเรื่องบอกมาพูดในพ้นเลยเนี่ยนะนะอยู่วนัวนๆในทางเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวก็ไปสักแก้วแล้วไปดูมะม่วงนะนะเดี๋ยวไม่ได้ค้าขายไนงะ แล้วก็เราต้องดูว่า เ, าเ อ, อท่านคิดอะไรกันเนี่ยนะแล้วท่านคิดแล้วท่านพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะถ้าเราไม่ไม่คิดแบบท่านคิดนะเราจะไม่ตรัสรู้ในแบบที่ท่านตรัสรู้แต่ในฐานะผู้ตรัสรู้ตามในฐานะผู้ตรัสรู้ตามเราก็ต้องพยายามที่จะจับว่าพระพุทธเจ้าท่านคิดอะไรก่อนบวชและท่านสแสวงหาอะไรเมื่อท่านไปทบสิ่งอื่นเช่นไปพบอากิิจัญญาญาตนะสมาบัตท่านก็บอกว่าไม่ใช่ในสิ่งที่ท่าน มาหาไปได้เนวะสัญญาณาสัญญาญตนะสมาบัติท่านก็บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ท่านมาสแสวงหาไปได้รับลาบสการะเป็นต้นท่านก็บอกไม่ใช่สิ่งที่ท่านสแสวงหาเนี่ยนะมันท่านจึงไม่หลงประเด็นในความเป็นนักบวชของท่าน น, นะนะอย่างเราทั้งหลายที่มาศึกษาธรรมะก็เหมือนกันเราก็ไม่หลงประเด็นว่ามาศึกษา ทำไมศึกษาไปศึกษามากลายเป็นมานับวัวเนี่ยนะเรียนวิชานับวัวเนี่ยนะก็ถามคุณมะลิวันบอกจะเรียนเป็นเสมียนหรือจะเรียนเป็นทายาทเหมืนกันนะบอกว่าเขาขอเป็นทายาทดีกา น, นะถ้าเป็นทายาทก็ต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านมีมรดกอะไรม้างแล้วเราจะรับมรดกเหล่านั้นของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์มีมรดกคือธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายเป็นธรรมที่พ้นจากความเศร้าโศกเป็นธรรมที่พ้นจากความ เศร้าหมองเพราะฉะนั้นแล้วเราจะรับคุณธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะตรัสรู้ธรรมนั้นเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะปฏิบัติทำทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องโจทย์อันนี้ต้องไม่หลงประเด็นต้องไม่เผลอ ER. การไม่เผลอ ER อย่างนี้แหละเรียกว่าศาสตะสัมปชัญญะเนี่ยนะรู้ไม่เผลอ ER เลยรู้นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเรียกว่ารู้ประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ของการมาศึกษาและการ ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะไปเจอคําชมหน่อยก็โมแต่พองเนี่ยนะก็เลยหรือไปเจอคําด่านหน่อยก็เลิกแฟบไปเลยเนี่ยไปเจออุปสรรคนี้หน่อยก็เลิกสแสวงหาแล้วก็กลับไปเฝ้าวัดตะตามเดิมก็ได้เนี่ยนะความเกิดมันก็คงไม่โหดร้ายสักเท่าไหร่ละมั้งเนี่ยนะความแก่มันก็ไม่ถึงกรเหี่มเท่าไหร่หรอก นะความป่วยมมันก็ดูแลกันได้รักษากันได้ตายก็ทํางานศพกันตากันแล้วกันถ้าโศกละก็เช็ดน้ำช่วยกันเช็ด น, น้ำตากันแล้วกันถ้าทั่วละก็ช่วยกันแก้แก้ไปวั น, ว, นวันกันแล้วกันเอ๊ะเขาก็อยู่กันตั้งเยอะแยะเนี่ยนะเรามาคิดออกทําไมสักคนเดียวเนี่ยนะอย่างที่บางท่านก็บอกนรกไม่ได้ร้อนสําหรับเราเท่านั้นหรอกนะเอ๊ะเขาบอกว่านรกมันร้อนสําหรับเราเท่านั้นหรือเนี่ยนะทำเป็นเหมือนฉลาดเลยใช่ไหมทาเหมือนสุขุมรอบคอบที่ไหนได้เนี่ยนะ หนักๆเข้าบอกนรกมันไม่ใช่เออ้วเกิดเป็นเป็ดเ อ, อเดราชานันแห ม, ม่ปลามันตั้งเยอะแยะมันเราจะไปเป็นอีกสักตัวจะเป็นไรอย่างเงี้ยนะเราลังคิดดูว่าเราเป็นพันไหนนะทีเรียกว่าเป็นเผ่าพันธเรียกว่าพุทธางกูลหมายความว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเผ่าพันธุ์ของพยามานก็มาคํานึงใส่ใจให้เสมอประเด็นเนี้ยคือประเด็นสําคัญว่าเรามาจากไหนและเราจะไปไหนไปทําไมแล้วเราสแสวงหาอะไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้สแสวงหา พบในสิ่งที่ปรารถนาเดี๋ยวพัก ส, สักครู่กัน